มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาสัตวมวักทุกรปัญหาที่19ถามว่าการปุจชาวิสันาเป็นการยากสมควรแก่เวลาแล้วมิเชื่อหรืออาทโขนาคาเสนโนฝ่ายพระน า, าเกษตจริงถวายพระพรมหาราชะ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 จะผูชาธรรมถวายพระน้าเกษนั้นมาจัดแจงตระเตรียมไว้ฝ่ายว่าโยนกข่าหลวงทั้งปวงก็กราบทูลพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ว่าขอพระเจ้าทานพระภิกษุนี้สมควรที่จะถามปัญหาปัณฑิโตท่านมีปัญญาเป็นแท้แล้วสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นกษัตริย์จึงตรัสว่าอามะพเนเอเ อ, อดูการะพระนายทั้งหลาย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 จะปราถนาซึ่งวัตถุอันมีในพระราชเคหาของโยมโยมจะถวายให้ในการบัดนี้พระนาคเสนจึงมีเทระวาจาถวายพระพรว่าบ่อพิษพระราชสมภารอัตมาภาพนี้เลี้ยงชีวิตพอสมควรอยู่แล้วพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์จึงตรัสว่าโยมทราบแล้วว่าพระผู้เป็นเจ้าเลี้ยงชีวิตพอสมควรแต่ทว่า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 ฉันใดได้แก่ตัวของโยมนี้อยู่ภายในเรือนทองก็จริงอยู่แลแต่ทว่าปรารถนาจะไปภายนอกเหมือนหนึ่งพระยามฤุกราชนั้นครรนโยมจะละราชนิเวศไปทรงบรรพชาเพศเหล่าข้าศึกนั้นก็จะติดตามฆ่าตีชีวิตโยมก็ไม่ได้ตั้งอยู่จจรังการนานไปเหตุฉนี้โยมจริงไม่บรรพชาแต่ใจของโยมนี้ ปรารถนาจะใครบ่บรรพชาอถโขนาคเสโนฝ่ายพระนาคเษนก็ถวายพระพรลาลุกจากอาจลีลาดไปสู่สังคารามอันเป็นที่อยู่ของอัตมาในการนั้นเมื่อพระนาคเษนขมนาการไปแล้วสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีก็มาดำริในพระทัยว่าวันนี้อัตมาถามอัธปัญหาแก่พระนาคเษน เป็นปัญหาเท่านี้ส่วนพระนาคเสนเล่าพระผู้เป็นเจ้าก็ดมริว่าวันนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีตรัสถามปัญหาแก่อัตมาเป็นปัญหาเท่านี้อัตมาได้วิสัชชาเท่านี้ตกว่าพระนาคเสนกับพระยามิลินถ้อยทีถ้อยจำไว้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายตาสารัติยาอจเจเนปะนะ ครั้นแสงทองอรุณรุ่งร่างสว่างฟ้าฝ่ายพระนาคเษนก็นุ่งสบงทรงจีวรพระกรจับบาตรแล้วลีลาดเข้าสู่รา ช, ชนิเวศครั้นถึงพระผู้เป็นเจ้าจึงนั่งเหนือปัญญาตตาอาจอันตกแต่งตั้งไว้ส่วนสมเด็จพระเจ้ามิลินบรมกษัตริย์ก็กระทำปรนิบัติให้ฉันจังหันสำเร็จแล้วพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์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 ปัญหาที่บอพิษถามเท่านี้ยิ่งคิดแล้วก็ยิ่งโสมนัสปรีดาเตอุโพปันดิตาฝ่ายว่านักปราชทั้งสองถ้อยทีถ้อยมีความโสมนัสปรีดาถ้อยทีถ้อยมีสุนทรกถาเจรจาแก่กันไปมาในการนั้นทุกขระปัญหาที่19ในสัตตมวักจบเท่านี้